วิธีให้อมุระหาวิไนและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อมุระหาวิไนยอย่างนี้คือภิกษุชื่อคักคะนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยคประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า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 ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายหลงแล้วขออมูลหะาวิไนกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสียแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทกระผมด้วยอาบัตที่กระผมผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ กระผมกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปลวนเสียแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปลวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายกระผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้กระผมกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจ์กระผมอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานี้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายวิกลจริตแล้วขออมุระหะาวิันกับสงภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจะตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อคักคะนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุชื่อคักคะนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามทำด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจดภิกษุชื่อคักคะด้วยอาบัตที่ท่านผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 แม้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจษภิกษุชื่อคักคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ภิกษุชื่อคักคะนั้นหายวิกลจริตแล้วขออมุระหาวิัยกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้อมุระหาวิไนแก่ภิกษุชื่อคักคะ ผู้หายวิกลจริตแล้วนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อคักคะนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนท่านวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจดภิกษุชื่อคักคะด้วยอาบัตที่ภิกษุชื่อคักคะนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤตละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริต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 อมูรหาวิัยสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อคักคะผู้หายวิกลจริตแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้